ลอยวางได้คือจิตใจของบัณฑิตแต่ถ้าลอยปลาละเลยก็ผิดกลายเป็นกรรมของคนผ่านในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาท่านให้ถือกิจส่วนรวมเป็นสำคัญตามหลักพระวินยัยกิจของสงฆ์พระภิกษุทุกรูปต้องเคารพให้เป็นใหญ่แม้แต่พระอรหันต์จะไปเข้านิโรธสมาบัติ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 บางทีพระอารหันก็ถูกลงโทษโยมคงสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรใครจะลงโทษพระอารหันที่ว่านี้ไม่ใช่คฤรืหัดมาลงโทษแต่เป็นเรื่องของที่ประชุมสงฆ์ได้มีการลงโทษพระอารหันลงโทษอย่างไรขออธิบายว่าเวลามีเรื่องของส่วนรวมเช่นมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนต่อประโยชน์สุขหรือความมั่นคงของพระศาสนาขึ้น